อัน 1.. ขอได้โปรดจำไว้ด้วยว่าถ้าโรคอันใดเกิดมาจากวิบากที่รุนแรงหรือพูดอีกในหนึ่งว่าเกิดมาจากวิบากของความทุกข์ที่สะสมไว้มากซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเนื่องมาจากการทำความชั่วไว้มากซึ่งจะทำให้จิตใจเร่าร้อนขุ่นมัวไม่สบายใจอยู่เสมอเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นโรคที่เกิดจากวิบาชนิดนี้ เพียงแต่ได้เหตุประกอบอย่างอื่นในทางวัตถุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะทำให้เกิดโรคตามสาเหตุของวัตถุนั้นๆได้และในที่สุดจะรักษาไม่หายทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นโรคชนิดธรรมดาเช่นเป็นโรคหวัดหรือโรคโครงจมูกอักเสบหรือโรคอะไรก็ตามซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วเป็นโรคที่รักษาง่ายแต่สาหรับคนที่มีวิบากมาไม่ดีอย่างมากนั้นจะรักษาหายยาก และถ้าเป็นอย่างชนิดรุนแรงเพราะทำกรรมไว้มากก็จะต้องตายด้วยโรคนี้ส่วนโรคทั่วๆไปที่หมอรักษาหายซึ่งบางคนก็รักษาง่ายมากแต่บางคนก็รักษายากแต่ในที่สุดก็หายเหมือนกันโรคอย่างนี้ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ในเมื่อคนทั้งสองเป็นโรคชนิดเดียวกันการรักษาก็แบบเดียวกันแต่ที่หายช้าผิดกันนั้น เป็นเพราะคุณสมบัติในด้านจิตใจไม่เหมือนกันท่านได้ให้ข้อสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคนบางคนได้รับความกระทบกระเทือนในทางจิตใจเหมือนกันคนหนึ่งอาจจะรู้สึกอ่อนระโหยร่อยแรงหมดเรียวหมดแรงไปอย่างมากแต่อีกคนหนึ่งเป็นไม่มากนักและบางคนก็อาจจะเรื้อรังไปนานนับเป็นวันๆหรือนับเป็นเดือนๆปีๆ แต่บางคนพอเป็นอยู่ไม่นานเท่าไรความอ่อนเพลียซึ่งเนื่องมาจากความกระทบกระเทือนในทางจิตใจนั้นก็หายไปท่านบอกว่านี่ก็เป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีสาเหตุมาจากทางจิตใจเสมอและก็อย่าลืมว่าวิบากที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั้นที่เนื่องมาจากการยึดมั่นในความดีมากเกินไปคือไม่รู้จักปล่อยวางก็มีไม่น้อย ก็มีข้อที่น่าสังเกตว่าถ้าคนไหนมีพื้นคุณธรรมสูงมีจิตใจดีหลายอย่างเช่นมีความเมตตาการุณาสูงความขยันความอดทนความกตันยูความกล้าหาญความยุติธรรมการรู้จักฟังความคิดเห็นของคนอื่นคุณธรรมเหล่านี้มีมากและมีทิฐิมานะน้อยไม่เห็นแก่ตัวอะไรทํานองนี้ถ้าหากคนไหนมีพื้นคุณธรรมเหล่านี้สูงมาก เราก็จะพบว่าในบางครั้งแม้จะเกิดความทุกข์ทรมานหรือเกิดความไม่สบายใจเพราะการยึดมั่นในความดีปล่อยวางไม่ได้ก็ตามแต่ระยะของความทรมานจะอยู่ไม่นานเท่าไหรนะ่นักคือมีทางที่จะละลายหายสูญไปได้ง่ายส่วนผู้ที่มีจิตใจต่ามีวิบากของความชั่วอยู่ในจิตใจหลายอย่าง คนประเภทนี้ในเมื่อเกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจแล้วมันจะฝังอยู่นานละลายหายสูญไปได้ยากและสาเหตุของความอ่อนแอในทางจิตใจซึ่งเป็นเหตุหรือเป็นที่มาของโรคทุกอย่างของร่างกายเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือความทุกข์ทรมานในทางจิตใจหรือความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆนั่นเอง ให้สังเกตว่าอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่หมั่นออกกำลังกายเช่นชอบเล่นกีฬาบ่อยๆหรือด้วยการทำงานออกแรงอยู่เสมอนั้นเรารู้กันดีว่ายอมทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอำนาจต้านทานต่อโรคภัยแค่เจ็บได้ดีหรือคนที่พยายามปฏิบัติตัวตามหลักอนามัยตามคำแนะนำของแพทย์ได้ดีไม่ทำอะไรตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรับประทานอาหารการหลับนอนหรือการทางาน หรือการเว้นจากของเสพติดต่างๆคนประเภทนี้เราก็รู้กันดีว่าย่อมจะมีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรงกว่าคนที่ชอบทำอะไรตามอารมณ์ในเรื่องอย่างนี้ก็ขอให้พิจารณาไปให้ซึ้งถึงด้านจิตใจว่าคนที่หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอก็ดีคนที่บังคับตัวเองได้ดีในเรื่องหลักอนามัยต่างๆก็ดีคนที่มีความเข้มแข็งในด้านจิตใจ เขาพยายามสร้างความกล้าหาญความอดทนความเข้มแข็งต่างๆให้แก่จิตใจอยู่เสมอนั่นเองผลจึงได้ออกมาในทางร่างกายเห็นได้ชัดและขอให้สังเกตอีกอย่างคนไข้ที่มีศรัทธาในตัวหมอย่อมจะมีความสบายใจดีกว่าคนไข้ที่ไม่ค่อยจะมีศรัทธาหรือคนไข้ที่ไม่ค่อยจะมีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ ทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอมีความรื่นเริงมีความสดชื่นอยู่ในใจเสมอซึ่งบางทีเราก็เรียกกันว่าคนไข้ที่มีกำลังใจดีคนไข้ประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็มักจะรักษาให้หายได้ง่ายนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยนักฟุตบอลหรือนักกีฬาประเภทไหนก็ตามถ้าหากเป็นคนใจเย็น เพราะมีความมั่นใจในตัวเองและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาจริงๆคือถึงแม้จะแพ้ก็ไม่เสียใจและรู้จักยินดีกับฝ่ายที่ชนะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจสูงนักกีฬาประเภทนี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่ชื่อเสียงจนเกินไปแต่เป็นคนที่เห็นแก่อุดมการณ์ในเรื่องการกีฬาจริงๆแล้วการฝึกของเขาก็ย่อมจะได้ผลดี สุขภาพทางร่างกายก็จะดีกว่าคนที่ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติของความเป็นนักกีฬาน้อยจากตัวอย่างต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ ก็คงพอที่จะทำให้เห็นว่าโรคภัยไค้เจ็บทุกอย่างย่อมมีสาเหตุมาจากวิบากทั้งนั้นแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่วิบากอย่างเดียวที่ทำให้เกิดโรคจะต้องมีเหตุอย่างอื่นประกอบด้วยเช่นคนที่จะเป็นอหิวาก็ต้องหมายถึงว่าจะต้องมีเชื้ออหิวาเข้าไปสู่ร่างกายจะเป็นมะเรง็งเป็นอมพาธหรือจะเป็นโรคอะไรก็ตามจะต้องมีสาเหตุของโรค น, น, นั้นเป็นส่วนประกอบ ซึ่งสาเหตุต่างๆที่ว่านี้ในวงการแพทย์รู้ดีว่ามีอะไรบ้างและขอให้จำไว้ว่าโรคอันใดที่รักษาหายได้นั่นเป็นเพราะวิบากที่ทำให้เกิดโรคอันนั้นไม่รุนแรงหรือถึงระยะที่มันจะหมดสิ้นไปแล้วอย่างที่เรียกว่าหมดเวรหมดกรรมโรคจึงได้หาย ส่วนโรคอันใดถึงแม้จะเป็นโรคที่รักษาง่ายๆแต่ก็รักษาหายยากหรือบางทีก็รักษาไม่หายเลยและบางคนก็ถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งไม่น่าจะต้องทำให้ตายเลยแต่ในที่สุดก็ต้องตายถึงแม้หมอจะอธิบายว่าเป็นเพราะมีโรคอื่นแทรกเข้ามาก็ตามก็ขอให้สังเกตเอาไว้บ้างว่าคงจะเนื่องมาจากกรรมของเขาถึงคราวที่จะต้องให้มีอันเป็นปเช่นนั้น ทั้งนี้ก็เพราะมีหลักที่แน่นอนที่สุดอยู่อย่างหนึ่งคือการที่เทพเจ้าทั้งหลายหรือคนที่ได้อภิญญาขั้นสูงสามารถจะยืนยันได้ว่าโรคทุกอย่างเกิดมาจากวิบากก็เพราะท่านสามารถที่จะดูได้ด้วยวิธีทางสมาธิและบอกได้อย่างแม่นยำว่าคนที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่จะหายช้าหรือหายเร็วจะต้องถึงแก่ความตายหรือไม่เรื่องอย่างนี้ท่านรู้ไม่ยาก และบางท่านที่ระลึกชาติได้อย่างละเอียดและมียานอันประณีตก็สามารถที่จะบอกได้ถึงอดีตกรรมในชาติก่อนว่าเพราะได้ทำกรรมอะไรมาจึงได้เกิดมาเป็นโรคอย่างนี้และเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตซึ่งในบางรายสามารถหายได้อย่างอัศจรรย์โดยไม่ต้องใช้ยาหรือใช้เป็นส่วนประกอบแต่เพียงเล็กน้อย แต่แล้วโรคก็หายและบางรายถึงแม้ท่านจะมีอำนาจจิตสูงเคยรักษาโรคชนิดนี้ด้วยอำนาจจิตหายมาแล้วแต่บางคนท่านก็จะบอกว่าสำหรับรายนี้รักษาไม่หายนอกจากจะช่วยบรรเทาได้บ้างเล็กน้อยการที่ท่านจะสามารถพยากรณ์ถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถที่รักษาให้หายได้ด้วยอำนาจจิตแม้กระทั่งโรคประเภทที่มีเชื้อหรือโรคที่ต้องใช้วิธีการผ่าตัดจึงจะหายอะไรทานองนี้ซึ่งบางรายก็หายได้จริงๆโดยการรักษาทางอำนาจจิตนั้นทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็คือวิบากของเขานั่นเองซึ่งท่านเหล่านี้รู้ดีว่ากมของคนไหนพอที่จะแก้ไขได้คนไหนยังแก้ไขไม่ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมองเห็นชัดว่าโรคทางกายทุกอย่างมันจะมีภาพสะท้อนให้เห็นได้ทางกายทิพย์หรือพูดอีกในหนึ่งเมื่อกายเนื้อเป็นโรคย่อมหมายถึงว่าทางกายทิพย์ก็เป็นโรคด้วยและย่อมจะเป็นมาก่อนที่อาการของโรคทางกายเนื้อจะปรากฏการรักษาโรคทางจิตก็คือการรักษาโรคที่กายทิพย์เพราะฉะนั้น เมื่อรักษากายทิพย์หายทางกายเนื้อก็ย่อมจะหายด้วยข้อยืนยันในขั้นเด็ดขาดที่จะบอกได้ว่าโรคทุกอย่างย่อมเกิดจากวิบากก็คือสภาพของชีวิตภายหลังจากตายบางคนไม่ยังเป็นมนุษย์อยู่เคยเป็นโรคอย่างไรตายแล้วก็ยังเป็นโรคอย่างนั้นอยู่เคยมีอวัยวะพิการอย่างไร ตายแล้วก็ยังพิการอยู่อย่างนั้นแต่บางคนก็ตรงกันข้ามกล่าวคือหลังจากที่ตายแล้วสภาพของกายทิศที่เกิดใหม่ในโลกของอปปาติกะนั้นเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ทุกอย่างปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดแต่บางคนก็อาจจะยังเป็นอยู่แต่ก็ไม่รุนแรงหรือเป็นไม่มากเหมือนกับเมื่อตอนที่ยังอยู่ในกายเนื้อและไม่นานเท่าไหร่ก็จะหายโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดที่ว่านี้สำหรับเทพเจ้าหรือผู้ที่ได้อภิญญาขั้นสูงย่อมรู้ดีว่ากายทิพย์ในโลกของโอปปปาติกะใครจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จะมีโครคภัยแค่เจ็บหรือไม่จะเรื้อรังอยู่นานหรือไม่นานทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำพูดเพียงประโยคเดียวคือวิบากของเขาถ้าคนไหนมีสุขภาพทางจิตดี ซึ่งย่อมหมายถึงเขาได้สร้างกรรมดีเอาไว้มากสุขภาพทางร่างกายก็จะดีด้วยแต่จะดีแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของสุขภาพทางจิตตลอดถึงใครจะมีอายุยืนยาวอยู่ในโลก น, า น, านั้นๆนนับเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีซึ่งเป็นการนับเทียบตามเวลาในโลกมนุษย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพิเศษของสุขภาพทางจิตและโดยในนี้ พวกรมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ได้ฌานซึ่งโดยธรรมดาแล้วจิตใจจะผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอตามกำลังหรือตามอำนาจของวิบากที่ได้สะสมซึ่งถ้าคนไหนฌานสูงมากสะสมวิบากเอาไว้มากอายุก็จะยืนยาวนับกันเป็นกับทีเดียวเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคำภีมีปรากฏหลักฐานอยู่หลายแห่งผู้ที่สนใจลองหาอ่านดูก็แล้วกัน ที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหทุกะไรที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูยไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษ ด, ดาวแต่ในความจริงที่เป็น อาจคอยส่ผลหรือไรอันลึกล้ำแต่มนคกกสผลของกันคทอะไรทดีหรือไร ไม่พร่าแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงดูยทยำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแค่จ น, นทา